จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลาย <c oughs> วันนี้ก็เป็นการบรรยายประวัติของท่านพระมหาเถระอีกองหนึ่งซึ่งเป็นอันดับที่เจ็ดสิบเ็ดก็คือประวัติของท่านพระอุปวานเถระท่านพระอุปวานเถร ะ, ะ, เะผู้นี้ มีชาติภูมิเป็นมาอย่างไรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสำนักของใคร <c oughs> ที่ไหนก็ยังไม่ได้พบประวัติความเป็นมาของท่านเรื่องราวของท่านที่มาในประกรต่างๆนั้น <c oughs> ก็กล่าวตั้งแต่เรื่องที่ท่านได้อุปสมบทมาแล้วเช่น <c oughs> เรื่องที่มาในสังยุตติกายมหาวารวักว่า มีข้อความว่าด้วยเรื่องที่ท่านได้สั่งสนทนากับท่านภาษารีบุตรกล่าวถึงโพชฌงเจ็ดประการนะในโพชฌงเจ็ดประการนั้นก็มีสติสัมโพชฌงเป็นต้นเนื้อความในเรื่องนั้นในของใ น, ในโพชฌงเจ็ดประการนั้นก็มีว่า ครั้งหนึ่งท่านพระอุปวานะและท่านภาษารีบุตรได้สำนักได้พักอาศัยอยู่อาศัยที่วัด โ, โคสิตาลามในพะระนครโภสมพีวันหนึ่งในเวลาเย็นท่านภาษารีบุตรนั้นได้เดินอยู่ภายในวัดแล้วก็ได้เข้าไปหาท่านพระอุปวานะ นั่งสนทนาปราศัยกันพอเป็นที่ลุ่นเลิงใจแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้ ก, กล่าวถามพระอุปวานะว่าดูก่อนอวุโสท่านอุปวานะ <c oughs> ท่านนั้นรู้ไหมว่าโพดชงเจดประการที่บุคคลตั้งใจอบรมไว้ดีแล้วย่อมอำนวยผลให้อยู่เป็นสุข ท่านพระอุปวานะก็ตอบว่ากระผมรู้ท่านภาษาลิบบึกก็จึงได้กล่าวอีกต่อไปว่าดูก่อสุอุปวานะเมื่อบุคคลมาปราลบโพษชงเ็ดประการมีสติสัมโพธชงเป็นต้นแต่และอย่างละอย่างก็ย่อมจะรู้ได้ว่าจิตของเรานั้นพ้นดีแล้วเราถอนถีนะมิทะ ได้ขาดแล้วเราระงับอุทธะกุกุกจะได้ดีแล้วเราตั้งใจทงความเพียรทำใจไม่ให้หดหู่ได้แล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าอำนวยผลให้อยู่เป็นสุขในพระจงเจดประการนี้ท่านพระสารีบุตรนั้นได้ ก, กล่าวอธิบายว่า เที่บุคคลมาปรารบโพษชงเจ็ดประการแล้วจะอยู่เป็นสุขนั้นซึ่งอานวยผ ล, ผลให้อยู่เป็นสุขนั้นก็เพราะเป็นเหตุระ ง, งับนิวรณนทั้งห้าได้เพราะว่าโพชชงเจ็ดประการนี้เมื่อบุคคลใดปรารบขึ้นแล้วสามารถที่จะระ ง, งับนิวรณทั้งห้าให้สลุดผลไปได้ก็จึงจะสามารถอำนวยผลให้อยู่เป็นสุขใได้ ได้สนทนาปราศัยกับท่านอุปวานะนั้นเรื่องในประวัติของท่านที่ได้พบนั้นก็มีที่ในประสูนย์ต่างๆก็มีมีแค่นี้และก็ยังได้พบอีกตอนหนึ่งคือท่านพระอุปวา น, นีอ่ะเคยเป็นพุทธอุปถาพระบรมศาสดาซึ่งปรากฏในมหาปรินิพพานสุขคือในตอนที่องค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ใกล้เวลาจะปรินิพพานนั่นก็คือตอนที่พระองค์บรรทมอยู่บนเตียงน้อยภายาภายใต้ต้นลังทั้งคู่ในขณะนั้นเองท่านพระอุปวานะนียืนถวายงานพัดอยู่เฉพาะพระพักก็ถูกพระพุทธองค์นี้ลุกลานคือว่าให้ อุปวานะนี่ถอยไปเสียนด้วยได้ด้วยพระดำํำรัสว่าเอาเปหิพิคุดูก่อนพิสุเธอจงหลีกไปอย่ายืนอยู่ที่ข้างนาสถานคดข้างนั้นเองท่านพระอานนท์นั้นก็อยู่ในที่นั้นด้วยได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วก็จึงดํำริขึ้นว่าท่านพระอุปวานะองค์นี้เป็นผู้อุปถากใกล้คิดพระองค์มานานแล้ว เ <H et ion> หตุฉะไหนหนอพระองค์จึงได้ทรงลุกลานขับไล่ให้หลีกไปเสียเมื่อดำลกมีความดำลกเช่นนี้เกิดความสงสัยเมื่อได้โอกาสและจึงเข้าไป ก, กราบทูลถามก็ได้ความชัดว่าการที่พระองค์นั้นได้ทรงถับหลีกไปแอรขับให้พระอุปวานะหลีกไปเสียนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเทพยดาทั้งหลาย อเทพยดาทั้งหลายนั้นกล่าวติเตียนหรือกล่าวโทษท่านพระอุปวานะเพราะในขณะที่พระองค์ใกล้ปรินิพานนั้นพวกเทพยดาทั้งหลายก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าท่านพระอุปวา น, ะนี้ถวายงานพัดอยู่ที่เจ้าพระประพักก็เกิดอติ พระมหาเถระผู้นี้หรือว่ากล่าวโทษพระมหาเถระผู้นี้ว่าเรานั้นมาแต่ในที่ไกลต้องการจะเห็นพระพักของพระสมเด็จพระบรมศาสดานี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่พระมหาเถระผู้มีศักใหญ่นี้มายืนบังเสียทําให้เราไม่สามารถที่จะเห็นพระพักของพระพุทธองค์ได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบวาลจิตของเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงได้ ขับให้ท่านพระอุปวานะเพรละผุนี้ลีกออกไปเสียเพื่อให้โอกาสแก่เทพยยียนพระอนนท์ก็จึงได้ทราบเนื้อความเช่นนั้นท่านพระอุปวานะนี้ก็จึงได้เคยเป็นพุทธอุปถาสมาองค์หนึ่ง <c oughs> เมื่อท่านได้ดำลงชนมายุโดยสมควรแก่การก็ดับขันธปริญพานตามเรื่องของท่านก็มีอยู่แค่นี้ แต่ก็พึงเข้าใจว่าท่านพระอุปวานานี้เมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็สามารถบำเพ็ญจนกระทั่งสำเร็จกิจในพุทธศาสนาคือเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งแล้วก็นับเนื่องในอสีติมหาสาวกคือเป็นภาษาวรูปผู้ใหญ่องค์หนึ่งในบรรดาภาษาวกูปแปดสิบด้วยกันเรื่องราวของท่านที่มีปรากฏก็มีเพียงเท่านี้เอง ประวัติต่อไปก็คือประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่เจ็ดสิบสองก็ได้แก่ประวัติของพระเมคียะเถระท่านพระเมคิยะเถระผู้นี้มีชาติภูมิเป็นมาอย่างไรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสำนักของใครที่ไหนก็เช่นเดียวกันไม่เดบยงังไม่ได้เคยพบประวัติของท่าน แต่ประวัติของท่านที่มีมาในประการต่างๆนั้นก็กล่าวเรื่องตั้งแต่ที่ท่านได้อุปสมบทไปแล้วเหมือนกับท่านพระอุปวานะเหมือนกันคือปรากฏและก็ปรากฏว่าท่านพระเมขียเทระนี้ได้เคยเป็นพุทธอุปถาก พ, พระบรมศาสดาองค์หนึ่งเหมือนกันซึ่งมีมาในอุทานความว่าครั้งหนึ่งพระพูมีพระภาคเจ้า สเสด็จประทับอยู่ที่จาริกบรรพศในกรุงจาริกาก็มีท่านพระเมคียะผู้นี้แหละเถระผู้นี้แหละเป็นผู้อุปถักต์คือเป็นพุทธอุปถักต์วันหนึ่งท่านพระเมคียเะเถระได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์กราทูลาพระองค์เพื่อจะเข้าไปบิธบัติในบ้านชันตุคามเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้ว ในเวลาวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าก็จึงได้เข้าไปบินทบาทในบ้านพันอชันตุคามนั้นเมื่อเวลากลับจากบินทบาทก็ได้เดินเล่นมาตามริมฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาแม่น้ากิมิกาลาได้เห็นสวนมะม่วงแห่งหนึ่งเป็นที่ร่มเย็นน่าลื่นลมใจ ท, ท่านแคร่อยากจะกลับมากระทําความเพียรณ์ณศีสวนที่สวนมะม่วงแห่งนี้ท่านกลับมาแล้วจึงได้กลับมาที่พักแล้วจึงได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระเจ้าเพื่อจะทูลลาหรือทูลขอพุทธานุญาตเพื่อจะกลับไปทํำบําเพ็ญความเพียรที่สวนมะม่วงนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสห้ามว่าดูก่อนเมคิยะเธอจงรอก่อน แตถาคตอยู่คุณ อ, อยู่แต่ผู้เดียวรอให้ภิกษุอื่นมาผลัดเวรเปลี่ยนเวรอุปถาแทนสิก่อนดังนี้ถึงสามครั้งแต่ท่านพระเมกิยะก็ไม่เชื่อฟังกราบทูลาแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระองค์แล้วก็หลีกไปไปยังสวนมะม่วงแห่งนี้แล้วก็เริ่มบาเพ็ญเพียร แต่ถึงจะบำเพ็ญเพียรอย่างไรก็ตามหาได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอันใดไมตามที่ตนประสงค์เพราะเหตุที่ว่าถูกวิตกสามประการเข้าครอบงำวิตกสามประการนั้นก็คือหนึ่งกามวิตกตรุกรุนนึกคิดแต่ในเรื่องกามกุลสองพยาปาทวิตกตรุะนิคิดในเรื่องที่การพยาบาทมารต้ายด้วยอำนาจของโทะ และสามวิหิงสาวิตกตรุดเลน่กคิดในเรื่องที่จะเบ็ดเบียนผู้อื่นถูกวิตกสามประการนี้ครอบงำไม่สามารถทำจิตใจให้เป็นสมาธิจนกระทั่งสาเร็จมากผลนิพพานอันใดหนึ่งได้ก็จึงได้ ก, กลับมาเฝ้ากราบทูลเนื้อความนี้ให้พระองค์ทรงทราบองค์สมเด็จพระสมบรอมศาสดานั้นก็ทรงตรัสบอก วิธีละ ง, งับปิตตกสามประการนี้โดยอเนกกปริยายเป็นอันมากในชั้นต้นทรงตรัสสอนให้ตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการคือหนึ่งเป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรหมายถึงว่ามีเพื่อนที่ดีหรือคบเพื่อนที่ดีสองเป็นผู้มีศีลสารวมในพระปฏิโมกก็คือเป็นผู้ที่ รักษาสินไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้ทำลายสา เ, า, าเป็นผู้พูดวาจาเป็นสุภาษิตพูดวาจาเป็นสุภาษิตนี้ก็คือว่าพูดวาจาที่ดีๆเป็นวาจาที่ขัดเราพูดแล้วไม่นํามาซึ่งโทษมีแต่จะนําประโยชน์มาให้โดยส่วนเดียวข้อสี่เป็นผู้มีความเพียรบากบัน่นคือไม่ย่อท้อท้อแท้ใจ และทำความเพียรโดยที่ไม่หยุดยั้ยงไม่คำนึงถึงความหนาวความร้อลนลรือแดดลมต่างๆในข้อห้านั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต้องรอบขอบแล้วพระองค์ก็เด็จัดให้เจริญธรรมะอีกสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งอสุภะคือการพิจารณาร่างกายของตนเองอของตน พิจนาล่างกายให้เป็นของไม่สวยไม่งามเพื่อจะได้ละเสียซึ่งราคะหรือเพื่อระงับกามวิตกประการที่สองนั้นก็ให้เจริญเมตตาเมตานั้นก็คือความรักใคร่ต้องการจะให้บุคคลอื่นเป็นสุขอันนี้ก็เพื่อที่จะละพยาปาทวิตกคือละพวกพยาบาเสีย ประการที่สามนั้นก็อานาปานาสติเพื่อจะได้ตัดเสียซึ่งวิตกอีกประการหนึ่งก็คือวิหิงสาวิตกแล้วก็ให้เจริญข้อที่สี่คืออนิจจสัญญาเพื่อที่จะได้ถอนขึ้นเสียซึ่งอสมิมานะคือการถือตัวเนี่ยพระองค์ก็ให้เจริญธรรมะอีสี่ข้อประการ ท่านพระเมกิยะนั้นตั้งอยู่ในโอวาชของพระบรมศาสดาที่ทรงสรัสษอนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอุตสาหบมเพียนเพียนก็ได้บรรุพระอรหัตผลเป็นภระยะบุคคลนับเข้าในภาษาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งเหมือนกันท่านก็ได้ดำลงชนมายุสังขารอยู่สมควรแก่การก็ดับขันตปรินิพานประวัติของท่านนั้นก็มีในประการต่างๆนั้นก็ตั้งแต่ การอุปสมบทมาเท่านั้นและก็ได้ทราบว่าเป็นพุทธอุปถาองค์หนึ่งก็เพราะเหตุที่ว่าได้ตามาตามเสด็จพระพุทธองค์ไปอย่างบ้านจาริกาที่จาริกา บ, บันพศแล้วก็ได้ไปทำความเพียรประวัติของท่านนั้นที่กล่าวมาก็มีเท่านี้แต่ก็ได้นับ ท่านได้นับเข้าในจํานวนเป็นพระสาวกผู้ใหญ่ลูกหนึ่งเหมือนกันประวัติท่านก็มีแค่นี้ท่านเองประวัติของท่านพระเถระองค์อันดับต่อไปก็คือประวัติของ อ, องค์ที่73ก็คือประวัติของท่านพระนาคิตะเถระพระนาคิตะเถระนี่ก็เหมือนกันมีชาติภูมิเป็นมาอย่างไร เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสำนักของใครณที่ไหนก็ยังไม่ได้พบที่มาแห่งประวัติของท่านเลยเรื่องราวของท่านก็คงเหมือนๆกับพระเถระสององค์ที่ได้กล่าวมาแล้วคือมีมาในประการต่างๆนั้นก็กล่าวถึงเรื่องแต่ตอนที่ท่านได้อุปสมบทแล้วและก็ปรากฏว่าท่านนั้นเคยเป็นพุทธอุปภถภา พระบรมศาสดาองค์หนึ่งเหมือนกันซึ่งมีเรื่องเล่ามาในชักนิบัติอังคุตรณิกายว่าครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศนชนบทคือในแว้นนใคว้นโกศนซึ่งมีเมืองสาวัตถีนั่นเป็นเมืองหลวงพร้อมด้ยวยภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก บรรุถึงบ้านพราหม์ชื่อว่าอิจฉานังคะระพระองค์นั้นเสด็จประทรับอยูเอ่เสด็จประาจาริกไปถึงบ้านพราหมบ้านหนึ่งชื่อว่าอิจฉานังคละแล้วก็เสด็จประทรับอยู่ณที่นั้นพวกพราม์และพวกขันธบดีชาวอิจฉานังคละได้ทราบข่าวว่าพระองค์นั้นเสด็จมา ก็จึงได้พากันจัดแจงของถวายมีของเคี้ยวและของฉันเป็นต้นแล้วก็พร้อมกันไปเฝ้าแล้วก็พร้อมกันไปเฝ้าได้ทรงเสียงอึงคเนึงอยู่ที่นอกซุ้มประตูสมัยนั้นท่านพระนาคิตะผู้เป็นพุทธอุปถาพระพุทธอพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงสดับเสียงนั้นเพิ่มก็จึงรับสั่งถามท่านพระนาคิตะว่า ดูก่อนนาคิตะชนพวกไหนกันหรือว่าใครกันนั่นพากันมาส่งเสียงดังอื่งคันหนึงไปหมดเหมือนกับพวกชาวประมงที่แย่งปลากันท่านพระนาคิตะนี้ก็จึงได้ออกไปดูแล้วก็กลับมากราบทูลว่าพวกพราหมณ์และคัห บ, บดีชาวอิฉานนัละทั้งหลายพากันถือเอาขาธนิยะ คือของที่ควรจะเคี้ยวโภชนียะของที่ควรจะประาบริโภคมาเพื่อถาวายเฉพาะพระองค์พร้อมด้วยพระที่สุส่งพระเจ้าพระพุทธนพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จึงได้รับสั่งวนาคิตะสถาคตไม่ต้องการสมาคมด้วยยศต้องการแต่ความสงัดความมิเวก ท่านพระนาคิตักก็จึงได้กล่าวถุนว่าขอพระองค์จงรับเถิดพระเจ้าค่ะวัดนี้เป็นโอกาสอันสมควรที่พระองค์จะทรงรับแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสห้ามสิแล้วก็ทรงแสดงถึงอานิสงส์ของพิสุขผู้มีความมักน้อยเที่ยวไปอยู่ในป่ายินดีเสนาสะนะอันเงียบสงัดนี่อ่านแสดงอานิสงส์ของบุคคลผู้เป็นคนมักน้อย เที่ยวไปอยู่ในป่าแล้วก็ยินดีเสนาสนะเงียบสงดท่านพนาคิตานั้นก็นับว่านับเข้าในจานวนพระสาวพวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งแต่ท่านจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในครั้งไหนก็ไม่ปรากฏแม้ในเรื่องที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้พูดถึงแต่ก็พึงเข้าใจถือว่าท่านได้สำเร็จพระอรหันตผลเหมือนกันคือได้ เป็นพระอรหันต์เป็นอเศษขบุคคลในพุทธศาสนาองค์หนึ่งแล้วก็ น, นับเข้าในจำนวนพระสาวกผู้ใหญ่ที่เรียกว่าอสีติมหาสาวกแปดสิบลูกผู้หนึ่งเหมือนกันองค์หนึ่งเหมือนกันเมื่อท่านได้ดำลงชนมายุสังขารโดยสมควรแก่การก็ดับขันธบสัินิพานท่านจะนิพพานที่ไหนเมื่อไหร่นั้นก็ไม่ได้ปรากฏชัดประวัติของท่านก็มีเพียงแค่นี้เนะท่านั้นเอง นี่เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระองค์หนึ่งชื่อวนาคิตะประวัติของพระมหาเถระอันดับที่ต่อไปก็คือประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่เจ็ดสิบสี่คือประวัติของท่านพระจุนทะเถระท่านพระจุนทะเถระนี้ประวัติเดิมของท่านนั้นก็คือเป็นบุตรของวังคันตะพราม์มารดาชื่อว่า นางสาลีพรามณีเกิดในเกิดในตรในวันณะของพราหมณ์ในบ้านชื่อวานารันทาวเป็นแฟนมคตเดิมนั้นท่านก็ชื่อจุนทะท่านก็ชื่อจุนทะเมื่อเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วภิกษุทั้งหลายมักจะเรียกท่านว่ามหาจุนทะมักจะเรียกว่าท่านมหาจุนทะ พระในประการโดยมากใช้คําว่าอายสมามหาจุนโทซึ่งแปลว่าท่านมหาจุนทะแต่ที่เรียกว่าจุนทะสมนุษเทพก็มีท่านพระจุนทะผู้นี้ <c oughs> ก็เป็นน้องแท้ๆของท่านภาษาลิบุตรนะก็เป็นน้องแท้ของท่านภาษาลิบุตรตนเองก็คือท่านภาษาลิบุตรนี่มีน้องชายสามท่านเดียกันก็คือหนึ่งพระจุนทะสองอุปเสนะ สามวังคันตะสามคัทีเลวตะสามองค์นี้ปรากฏก็บวชหมดได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดและตอนนั้นยังมีน้องสาวอีกสามสามคนด้วยกันก็คือจาราอุปจาราและกษีสุปจาราทั้งหมดก็ได้บวชเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดนะเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านพระจุนทะนี่ก็เป็นน้องชายแท้ๆของท่านพระสารีบุตร แล้วก็ได้เป็นพุทธอุปถาปองค์หนึ่งเหมือนกันเมื่อครั้งพระบรมศาสดานั้นสเดสเด็จไปปรินิพานที่กรุงสุสินาราท่านก็ได้เป็นพุทธอุปถาติดตามสเสด็จไปด้วยซึ่งเรื่องราวของท่านมีปรากฏในประกรณ์หลายแห่งนะในประกรณ์หลายแห่ง แต่เมื่อพิจารณาตามเรื่องราวของท่านแล้วสนิฐานได้ว่าท่านคงเป็นพระธรรมกถึกองค์หนึ่งเหมือนกันเช่นในสันเลขสูในมัชฌิมานิกายนั้นมีความย่อว่าเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถีท่านได้เข้าไปเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามถึงเรื่องทิฏฐิที่ประกอบไปด้วยถ้อยคาของตน และถ้อยคำของชาวโลกของชาวโลกว่าพิสุจะพึงทำอย่างไรจึงจะละทิฏฐิเหล่านั้นได้เต็กขัดพระพุทธองค์นั้นก็ทรงแสดงถึงวิธีขัดเกลากิเลสให้ท่านพระจุนทะนี้ฟังโดยอนเนกกับปรียายเป็นอันมาก จกระทั่งท่านพระจุทธนีมีความปราบรื่มใจอนุโมทนารัภาสิทธิ์ของพระพุทธองค์และก็เรื่องที่ท่านได้ให้โอวาสแก่ภิกษุโดยตรงก็มีเช่นมีมาในชกานิบาตอังคุตกนิกายโดยที่ท่านให้อววาทโดยใจความก็คือสั่งสอนให้ไม่ให้ภิกษุถือพวกถือเหล่า ไม่ให้ซือพิสุนั้นถือเป็นพวกเป็นเหล่าว่าพวกเขาพวกเราหรือเหล่านั่นเหล่านี้ยกพิสุสองพวกขึ้นเป็นตัวอย่างโดยยกพิสุสองพวกขึ้นเป็นตัวอย่างคือพวกพิสุที่เรียนคันทะทุระฝ่ายหนึง่งและพวกพิสุผู้เรียนวิปัสนาทุระฝ่ายหนึ่งซึ่งตามปกติธรรมดาแล้วพิกสุทั้งหลายย่อมสรรเสริญแต่ฝ่ายของตอนติเตียนที่ฝ่ายหนึง่ง คือฝ่ายผู้เรียนคัน ธ, นธุลุละคือเป็นนักเรียนเรียนคัมภีร์ก็ยกย่องเฉพาะผู้เรี้ยงคมภีรว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีมติเตียนพวกวิปัสนาทุละแต่อีกเหมือนกันฝ่ายวิปัสนาทุละก็ยกย่องเฉพาะพวกที่เรียนวิปัสนาทุลละว่าเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานและก็มาติเตียนพระพิสุผู้เรียนคัน ธ, นธุลละว่าหาว่าไร้ประโยชน์เหล่านี้บ้างโดยมากเป็นอย่างนั้นแต่ท่าน พระจุนทะเถระผู้นี้สอนให้พิสุให้โอว่าภิสุทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำเช่นนั้นสอนให้สำเหนียกให้ศึกษาว่าตนจะเป็นฝักฝ่ายไหนก็ตามพึงพอใจในอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็สรรเสริญคุณความดีของกันและกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะได้ไม่แตกไม่เป็นพวกเป็นพรรคพวกกันถือว่าในฐานะเรามาเป็นพุทธบุตร เป็นภิกษุในพุทธศาสนาด้วยกันแล้วเป็นลูปพอเดียวกันทั้งหมดไม่ให้มีความเห็นแตกแยกซึ่นกันและกันว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้นี่ท่านมหาจุนถานั้นก็ได้เคยให้โอวาทนะได้ให้อวาทแกภิกษุมาแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพิจารณาหรือสันนิษฐานได้ว่าท่านนั้นคงจะเป็นพระธรรมกึกองหนึ่งเหมือนกัน ท่านพระมหาจุนทะนี <c> ้เ <oughs> มื่อครั้งท่นานภาษาลิบุตรผู้เป็นพี่ชายไปไปไ ป, ไ ป, ปรินิพพานที่บ้านเพื่อโปรดมารดานั้นท่านเองก็ได้ติดตามมาด้วยนะฮะติดตามมาด้วยคือติดตามท่นานภาษาลิบุตรผู้เป็นพี่ชายมาด้วยแล้วเมื่อท่านภาษาลิบุตรผู้เป็นพี่ชายนั้นปรินิพพานแล้วท่านก็ได้ทาการชาวปนกิจจัดการชาวพนกิจ จบท่านพระสารีบุตรนี้แล้วก็ได้รวบรวมปาฏิวอนพร้อมด้วยอธิธาต์ของท่านพระสารีบุตรนํามาถวายพระบรมศาสดาด้วยตนเองที่พระเชตวันมหาวิหารซึ่งพระบรมศาสดานั้นก็สั่งให้ทําพระเจดีย์ขึ้นไว้ทําพระสุทูกขึไว้แล้วนําอธิธาต์ของท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอัฐบริบริขารมีปาฏิวานเป็นต้นนั้นบรรจุไว้ในสถูป ที่ภายในพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองท่านพระจุมธะภูมนี้ก็ไม่ได้กล่าวประวัติของท่านว่ามาบวชอย่างไรก็คงจะเกิดความเลื่อมใสขึ้นบวชตามพี่ชายนะบวชในพุทธศาสนาตามพี่ชายคือท่านพระสารีบุตรแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหมดก็ได้บวชในพุทธศาสนาหมด แต่ในบรรดาที่บวชนั้นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็เว้นพระจุนทะองค์นี้ไม่เด่นรับยกย่องอเป็นตเพียงพระอ่าจัดเข้าอยู่ในลําดับพระเถพระเะผู้ใหญ่คือภาษาวกผู้ใหญ่แต่ไม่ได้รับยกย่องใเอตถคะฐานว่าเลิศ ก, กว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายในด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับพี่น้องทั้งสามองค์คือทำภาษารีบุตรก็ได้รับยกย่องบอกเป็นผู้เลิศทางปัญญาท่าน อุปเสนะวังคันตะพราหมก็คือว่าพีชางตัวเองนั้นก็ได้รับยกย่องเหมือนกันได้รับยกย่องเหมือนกันแล้วท่านคาทิยะเถระคือน้องชายคนสุดท้องคนน้อยก็ได้รับยกย่องเหมือนกันคือท่านพระอุปเสสะเถระนั้นก็ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นำความเลื่อมใสามาโดยรอบด้านในมูชนทั้งสูงแลต่ำ ส่วนท่านพระเลวตะหรือได้นามต่อมาว่าคัิยวณิยะเลวตานั้นก็ได้รับยกย่องในฐานะเป็นผู้อยู่ฝ่าเลิศกว่าิสุอื่นทั้งหลายเป็นผู้อยู่ฝ่าแต่พระชุนทะเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้รับยกย่องก็ไปอันว่าท่านพระชนท่านนี้ก็เป็นพระหานองค์หนึ่งเมื่อท่านดำรงชีวิตอยู่มาสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพานก็เปอันว่าจบประวัติของท่านเพียงแค่นี้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 บรรยายประวัติของพระมหาเถระอันดับที่เจ็ดสิบห้าคือประวัติของท่านพระยะโสชเถระท่านพระยะโสชเถระนี้เกิดในตระกูลชาวประมงเกิดในตระกูลชาวประมงในพระนครสาวัตถีบิดาของท่านนั้นก็เป็นหัวนหน้าชาวประมง5้าร้อยตระกูล แต่ว่าไม่ปรากฏชื่อว่าบิดาของท่านนั้นชื่อชื่ออะไรแต่เป็นชาวประมงหากินในทางจับปลาแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าชาวประมงชาวพระนครในพระนครสาวัตถีนั้นถึงห้ารอตระกูลนะคือเป็นชาวห้าร้อตระกูลนี่เป็นชาวประมงทั้งหมดบิดาของท่านนั้นก็เป็นหัวหน้าชาวประมงเดิมท่านนั้นชื่อว่ายะโสชะมานกยะโสชะมานก เมื่อวันที่ท่านคลอดจากคันมานดานั่นมาบรรดาพัญญาของชาวประมงทั้งห้าร้อยคนก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายพร้อมกันในวันเดียวหมดก็คือว่าสหชาติโดยกันมีถึงห้าร้อยคนคือเกิดในวันเดียวที่เรียกว่าเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันในวันเดียวนั้นก็คือเป็นลูกน้องของบิดาบรรดาพัญญาของชาวประมงซึ่งเป็นลุกน้อง ของบิดาของท่านนั้นก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายเหมือนกันทั้งหมดถึงห้าร้อยคนใช่แต่เท่านั้นในตำนานแท่านกล่าวว่าเมื่อท่านลงสู่ปฏิสนธิในครันของบรรดาก็พร้อมคือเมื่อพระสัญเชยาโถ ะ, โะได้ลงมาสู่ปฏิสนธิในคันของบรรดาของท่าน แม้เด็ก ๆ, ๆทั้งหลายที่เป็นชาวประมงอ่าที่เป็นลูกของชาวประมงห้าร้อยคนที่เกิดพร้อมกันในวันเดียวกัท่านกับยโสชะมานพนี้ก็ปฏิสนธิในครันของพันยาของชาวประมงในวันเดียวกันซึ่งในอดีตการนั้นปรากฏว่าทั้งเด็ก่เด็กทั้งห้าร้อยคนหรือว่าลูกชาวประมงทั้งห้าร้อยคนนี้เคยได้ทําบุญร่วมกันมา เพราะฉะนั้นในตํานานท่านยิงกล่าวว่าแม้แต่ในการที่ลงสู่ปฏิสนธิในพันุ์ของมารดานั้นก็พร้อมกันหมดด้วยเหตุนั้นหัวหน้าชาวประมงผู้เป็นบิดาของยโสชะมานกนีเมื่อทราบว่าเด็กในบ้านนั้นเกิดพร้อมกันในวันเดียวกับบุตรของตนเองก็จึงให้เครื่องบำรุงเลี้ยงมีข่าน้ำนมค่าอาหารเป็นต้นแก่เด็กทั้งเล่าทั้งหลายเหล่านั้น ทุกคนทั้งห้าร้อยคนตามแต่ตนเองมีความสามารถใดในฐานะที่ตนเองเป็นหัวหน้าก็ด้วยคิดด้วยมีความประสงค์ว่าต่อไปเด็กๆของลูกชาวประมงทั้งห้าร้อยคนนั้นจะได้เป็นสหายคือเพื่อนเล็ดกับลูกชายของตนเองเด็กเหล่านั้นทั้งหมดก็ได้เป็นสหายเล่นฝุนเล่นดินกันมา แล้วก็ค่อยจเจริญขึ้นมาโดยลําดับลูกชายของหัวหน้าชาวประมงก็คือยะโสชะมานกนั้นก็ไดเป็นหัวหน้าบรรดาเด็กเหล่านั้นเด็กลูกชาวประมงเหล่านั้นโดยยศและโดยเดชเพราะเหตุที่ว่าตนเองนั้นเป็นลูกของหัวหน้าชาวประมงแล้วเพราะฉะนั้นในบรรดาเด็กตนเองก็เป็นหัวโจกหรือว่าเป็นหัวหน้าของเด็กเหล่านั้น เมื่อจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมามันเป็นหนุ่มพอที่จะทํางานรับหน้าที่สืบ อ, อาชีพสืบสายอาชีพตามบิดาของตนเองได้แล้วทั้งหมดนี้ก็ได้เป็นสหายร่วงไปจับปลาคือเป็นชาวประมงด้วยกันแล้วก็ร่วมกันจับปลาแล้วก็มีความรักใครส่สิงกันและกันเป็นอันมาก วันหนึ่งสหายทั้งห้าร้อยท่านนั้นซึ่งมียะโสชะเป็นหัวหน้าก็ได้พากันไปถือแหไปไปจับปลาไปจับปลาแล้วก็พากันไปจับปลานั้นทอดแหจับปลาในแม่น้ำอจิระวดีอ่ิระวดีก็ปลากฏวันได้ปลาทองตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ปลาทองคือสีผิวกายนั้นเลืองเหมือนทองตัวใหญ่มากตัวหนึ่งแต่พอปลาทองนั้นอ้าปากออกมาก็ปรากฏว่ามีกลิ่นปากนั้นเหม็นเลือเกิดเมื่อพวกชาวพวกหนุ่มชาวประมงทั้งห้าร้อยทางนี้ได้เห็นเขาแล้วก็พากันส่งเสียงด้วยความดีใจว่าวันนี้เป็นวันที่ตัวเองโชคดีนะครจับปลาทองตัวใหญ่ได้ ก็ปรึกษากันว่าบุตรของพวกเรานั้นนะแม้แต่ว่าพ่อแม่ของเด็กๆที่ของหนุ่มๆที่เป็นชาวประมงนั้นก็เด็กส่งเสียงกันด้วยความดีใจว่าบุตรของพวกเราก็จับปลาทองตัวใหญ่ตัวหนึ่งอพระเจ้าแผ่นดินนั้นเมื่อเห็นปลาทองเช่นนี้แล้วคงจะโปรดพระราชทานรางวัลให้อย่างแน่นอนสหายเหล่านั้นทั้งหมดก็จึงได้จับปลาใส่เรือแล้วนําไปถวายพระเจ้าแผ่นดิน ก็คือไปนําไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าโกศลซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแคว่งโกศล น, นั่นเองเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นได้ทรงทอดพระเนตรพระเจ้าโกศล น, นั้นเมื่อได้ทรงทอดพระเนตรแล้วก็ทรงลำลิว่าพระบรมศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นจะทรงทราบเหตุผลที่ปลาตัวนี้มีสีเป็นทองคํา ก็จึงได้รับสั่งให้คนนั้นหาปลานั้นแล้วก็เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระเจา้าพร้อมกับพวกชาวประมงอย่างพวกชาวประมงเหล่านั้นพอถึงที่ฝั่งอาที่เฝ้าแล้วปรากฏว่าปลาคองตัวนั้นได้อาผาขึ้นปรินเหม็นกลบไปทั่วพนครทั้งหมด องคุณเดชพระสัมาสัมพุทธเจ้าก็จึงเด่นรับสั่งแก่พระเจ้าประเสริที่โคศลและพวกประชาชนทั้งหลายถึงประวัติความเป็นมาในอดีตการหรือว่ากรรมที่ปลาตัวนี้ได้กระทําไว้ในอดีตการว่าในอดีตการนั้นปลาตัวนี้เคยเป็นภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่ากัปปิละ ในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนามว่ากัสปะปลาตัวนี้ได้เป็นพระภิสุองค์หนึ่งชื่อว่ากัปปิละเป็นพระหูสูตคือเป็นผู้คงแก่เรียนมีความรู้มากมีบริวารมากแต่ว่าประพติยอหย่อนในพระธรรมวินัยนะระพติยอดหย่อนในพระธรรมวินัย ในสมัยอ่าในพุทธศาสนาของพระ迦รัตถะสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็ประพุทธยอดอย่อนในพระธรรมวินยัยสูตรอดวินัยว่าไม่เป็นวินยัยกล่าวธรรมะว่าไม่เป็นธรรมะกล่าวสิ่งที่เป็นไม่เป็นธรรมะว่าเป็นธรรมว่าเป็ น, รร ว, ปนวินยัยเหล่านี้เป็นต้นเพราะเหตุที่ว่ากรรมตนเองได้กระทำเช่นนั้นก็จึงได้มาเกิดเมื่อตนเองนั้น ได้ถึงแก่มรณะภาพไปแล้วก็จึงมาเกิดเป็นปลาทองเรื่องหน้าที่เป็นสีเป็นทองนั้นเพราะเองเพราะตนเองนั้นได้เคยบวชเป็นพระพิพจุตพระพุทธพระมอาจันนั้นอยู่นานแต่ว่าเพราะเหตุที่ตนเองนั้นได้กล่าวธรรมได้กล่าวธรรมวินัยว่าไม่ใช่ธรรมวินัยกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมวินัยว่าเป็นธรรมวินัยนี้จึงปลาจึงเกิดมาเป็นปลาทีิพักแล้วพระองค์ก็จึงได้จัส เรื่องกับปิละสูตรให้พระเจ้าโคศนร้อม้วยประชาชนในที่นั้นฟังในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานั้นบุตรของชาวประมงทั้งห้าร้อยคนซึ่งมียโธโธชะเป็นหน้านั้นก็ได้ความเดิมใสจึงได้ทอได้ทูลขอบรรพชาบุสมบทในสำนักของพระบรมศักดา์ ท่านไดอุปสมบทแล้วก็หลีกไปอยู่ในที่เงียบสงัดเพื่อบ่งเทนเพียรสมณธรรมครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในปนครสาวัตถีภิกษุทั้งห้าร้อยลูกซึ่งมีท่านพระโสชะอายโศชะพิสุเป็นหัวหน้านั้นพากันมาเฝ้าพระพุทธองค์ท่านถึงแล้วก็ได้คุยกันกับพวกพิสุ์เจ้าถิน เสียงดังลั่นสนั่นกล้องไปหมดจนกระทั่งได้ยินถึงประกัรขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามแก่พระอนตน์ว่าดูก่อนอนต์ภิกษุโคนไหนกันนั่นที่มาคุยกันเสียงดังลั่นเหมือนกับพวกชาวประมงที่แย่งปลากันพระอนตน์ก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นก็เป็นภิกษุ ชาอาลอาบุตรของชาวประมงห้าร้อยซึ่งมีพระยะโสชะเถระเป็ น, เ ป, นเป็นหัวหน้ากับพระพิสุเจ้าถิ่นนั้นได้คุยกันพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้บอกพิสุเหล่านั้นเข้ามาฝ้อง <c oughs> ตถามอีกว่าแตถามท่านพระ ย, ร ะ, ยะโสชะอีกตถามอีกท่านพระย ะ, ยะโสชะนี้ก็กล่าวทูลในทรงสราบ ว่าเป็นพวกพระภิสุ ข, ของตอนเองที่นี่คุยกันเสียงลั่นอย่างนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงบรรนามขับไล่ไม่ให้อยู่ในสำนักของพระองค์พ <c oughs> ิสุรลองนั้นทั้งห้าร้อยลูกซึ่งมีพระยะโสชะเป็นประธานนี้ก็จึงได้พากันถวายบงังคมกระทำประทักษิณและก็ลีกไปเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแม่นาม้าวัคุบุธา เขตแดนเมืองสาเวสาลีก็จึนได้พากันทากุฏิมุงด้วยมุงและบังด้วยใบยไม้เข้าจำภาษาอยู่ในที่นั้นในภาษานั้นเองก็อาศัยความไม่ประมาทอุสาบำเพยญเพียรเยจเริญสมณธรรมจะเจริญมีภาสนากรรมฐานไม่นานนักก็เดดสมเดจพระอรหันตผลรอมด้วยกันทั้งหมด ท่านเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าก็ได้เสด็จจาริกมาอย่างกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาคารสศาลาป่ามหาวันนั้นทรงทราบว่าพิสุเหล่านั้นได้สำเร็จพระอรหัตตผลแล้วจึงรับสั่งให้พระอนนนใช้ให้พระพิสุไปเรียกพิสุพวกเธออมพิสุทั้งห้าร้อยเหล่านั้นมาฟัา พระอนน์ก็ได้เป็นเลี้ยไปเรียกพิสุทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้เข้ามาเฝ้าตามรักษั่งท่านถึงที่เฝ้าแล้วได้เห็นพระองค์นี้เข้าอันเนชาสมาธิอยู่คือพิสุทั้งห้าร้อยนัน้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อเข้ามาถึงที่เฝ้าได้เห็นพระองค์นั้นกำลังเข้าอันเนชาสมาธิอยู่พวกท่านก็ พากันเข้าอาเนชาสมาธิสักส่วนพระอนอน์นั้นในฐานะที่ตนเองเป็นแค่พระโสดาบันนั้นไม่รู้วาละจิตของพระพุทธองค์แล้วก็ของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นพระบรมศาสดาประทับนิ่งอยู่ก็จึงได้ทูลเตือนพระพุทธองค์พระองค์ถึงสามครั้งว่าภิกษุอาคันตุกะมันนั่งอยู่นานแล้วพระเจ้าค่ะ ได้ทรงเตือนพระพุทธองค์อยู่ตรงนี้ถึงสามครั้งพระองค์ก็จึงได้ตรัสบอกว่าอนนุนสถาคตและพิสุขอาคันตุกะห้าร้อยรูปเหล่านี้น่ะกําลังนั่งเข้าอเนเนชาสมาธิกันอยู่ท่านพยโสชะเถระนี้ก็นับได้เข้าในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งเมื่อท่านดำลง ชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรเกตดการก็อนดับขันธพรินิพานท่านพญาโสชะผู้นี้ก็ไม่ได้รับยกย่องเป็นเอต ท, ทัคคะในทางใดทางหนึ่งแต่ก็นับว่าเป็นพระมหาสาวกคือสาวกลูกใหญ่องค์หนึ่งเหมือนกันและก็ในการปรินิพานของท่านนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีพานณสถานที่แห่งใด ประวัติของท่านก็มีเพียงแค่นี้อันดับต่อไปก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่เจ็ดสิบหกก็คือประวัติของท่านพระสพิยะเถระท่านพระสพิยะเถระผู้นี้มีชาติภูมิอยู่ที่ไหนเป็นบุตรของใครไม่ปรากฏในตํานาน ปรากฏแต่ว่าท่านเป็นปริพาชกชื่อว่าสัพิยะนปรากฏแต่เพียงว่าคือพระอามตนา น, นั้นปรากฏแต่เรื่องของท่านตั้งแต่เป็นปริพาชก ค, คือเป็นนักบวชนอกศาสนารัติหนึ่งชื่อว่าสัพิยะปริพาชกสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหาร อันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตนั้นในกรุงราชฤก์ครั้งนั้นก็มีเทวดาซึ่งเคยเป็นญาติสาโลหิตกับท่านมาแต่ในชาติปางก่อนได้มาได้ผูกปัญหาให้แก่สพิยะปริพาชกแล้วก็สั่งว่าดูก่อรสพิยะสมณะพรามผู้ใดสามารถที่จะแก้ปัญหาที่ท่านถามเหล่านี้ได้แล้ว สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วท่านนั้นจงประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักหรือว่าในละทิของสมนักสามผู้นั้นเถอิดผููปัญหาให้สภพยะดังนั้นสภพยะปริภาชกนี้ก็จึงได้เรียนเอาปัญหาในสำนักอ่าปัญหาจากเทวดาผู้เป็นญาติสารุษหิตนั้นจนจําได้จนจําได้ขึ้นใจแล้ว ก็เที่ยวถามสมณะพราหมณ์ที่เป็นคณาจารย์ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงปรากฏในครั้งนั้นก็ซึ่งคณาจารย์ใหญ่ๆซึ่งมีเสียงชื่อกดอชื่อปรากฏในชื่อนั้นอันในที่นั้นที่เขาเรียกว่าครูทั้งหกก็คือวาสสดาทั้งหกที่ตั้งตนเป็นศาสดาประกาศลทัทธิของตอนนั้นก็มียุยกันหกท่านเดียวกันคือหนึ่งปุรณ ก, กศพสองมัคลิโคสาร 3. าอจิตะเกสกรรมคล 4. สี่ปกุพะกัจจายนะปกุพะกัจจายนะ 5. ้าสัญชัยเวรัตบุตรและก็หกนิคันธนาตบุตรนะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งหกท่านที่ตั้งตนเป็นป ส, สดาในครา น, นั้นสภิยะปริพาโชคชนผู้นี้ก็จึงได้นำเอาปัญหาที่เทวดาผูกให้ ซึ่งจนตนเองเรียนจนจำได้หนึ่งเข้าไปถามอาจารย์ทั้งหกนั้นก็ปรากฏว่าศาสดาทั้งหกเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ได้สักคนเดียวสักศาสดาเดียวเมื่อแก้ไม่ได้แล้วยังซ้ำพูดยังยั ง, ยงกับพูดเย่อเย้ยสัพยะปริพาชกมีประการต่างๆซิอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึง่งของคนที่มี มานะหรือมีกิเลสต่างๆคือตอนเองไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วนอกจากแก้ไม่ได้แล้วยังทําการเยอะเยย อ, อีกเป็นการเยอะเยะ่ยเป็นการแก้อบิดเดีวหรืออ่าการที่ตนเองแก้ไม่ได้เพื่อเยอะเยะ่ยเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นที่เขาถามนั้นเป็นของไร้สาระเป็นของไม่มีประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เยอะเย่ยบุคคลผู้ที่นําปัญหานี้มี นำนามัญหานี่มาเป็นทรรนองที่เรียกว่าเป็นคนที่อ่าไม่มีสาระหรือเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นบัณฑิตเหล่านี้เป็นต้นเยาะเย้ยเสให้ถากถางเสงให้เสียใจท้อใจอีกสัพพิยปริพาชกนั้นเมื่อถูกครูทั้งหกเยอะเย้ยขึ้นอย่างนั้นแล้วก็เกิดความท้อใจคิดจะคิดกลับจะศึกเป็นฆราวาสวิสัยบริโภคการมคุณต่อไปอีก แต่ขั้นมาหวนคิดขึ้นมาว่ายังมีศาสดาองค์หนึ่งที่ประกาศตนนั้นเป็นศาสดาคือพระสมณะโคน ก, ก็มีอีกองค์หนึ่งก็คิดที่จะไปเฝ้าและก็ทูลถามปัญหาแต่ก็มาคิดปลิ่งเปกรงปริ่งใจอยู่ว่าหรือว่าสงสัยในใจอยู่ว่าพวกสมณะพราหมณ์มีครูเออซึ่งมีครูทั้งหกเป็นต้นคือศาสดาทั้งหกนั้น เป็นผู้เฒ่าผู้แก่บวชมาเป็นเวลานานเป็นคณาจารย์เป็นอาจารย์สั่งสอนสิท์แกมูสิทธ์เป็นอันมากเป็น ผ, ผู้ที่มีชื่อเสียงมากก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เช่นไหนพระสมณะโคโดมก็ยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กนมอยู่ทั้งบวชใหม่ยังบวชไม่เหนนานจะแก้ปัญหานี้ได้เฉลือดจะแก้ปัญหานี้ได้เฉลือ แต่ก็มั น, นึกเสียว่าถึงแม้ว่าพระสมณะโคดมนี้จะยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ก็จริงแต่พระองค์นั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากคงจะสามารถแก้ปัญหาที่เราถามนี้ได้เมื่อตัดสินใจได้อย่างนี้แล้วตกลงใจได้อย่างนี้แล้แลวก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมสาสดิาห์ที่พระเวลุวันมหาวิหารในกรุงราชเกิดนั้น ก็กราบทูลขอโอกาสถามปัญหาเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตแล้วก็ได้ทูลถามปัญหาร้ายหมดหลายตอนพระองค์ก็แสะแก่ทรงแก้ได้ทุกหมวดทุกตอนในที่สุดแห่งปัญหาพยากรณ์นั้นก็คือการพยากรณ์ปัญหาจบลงปรากฏว่าสพิยปริพาชกผู้นี้เกิดความเลื่อมใส แล้วก็ทูลขอผสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์แต่ว่าพระสพยาปริพาชกนี้เป็นนักบวชนอกศาสนาที่เราเรียกอยอยาอกปการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเดรถีเป็นผู้นับนันถือศาสนาอื่นพระองค์ก็จริงรับสั่งให้อยู่ติทยาปริพวาตสี่เดือนเยก่อน เพราะว่าเป็นคนเรทีคืออยู่ปริวัติของพวกที่คนเป็นเรทีสี่เดือนก่อนถึงจะงบวชได้เมื่อสาวพิยปริพาโชคปุณณีอยู่ติทยาปริพาสครบกําหนดสี่เดือนแล้วเป็นผู้ที่มั่นคงเรื่มใสในพุทธศาสนาไม่คอนเฟลต์แล้วก็จึงได้รับอุปสมบทเป็นพิสุในพุทธศาสนาเมื่อได้อุปสมบทแล้วท่านเลวไปแต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทผู้สาวบำเพ็ญเพียร ไม่นานก็ได้บรรลุพระรหัสเป็นพระยะบุคคลองค์หนึ่งซึ่งนับเนื่องในภาษาวกผู้ใหญ่แปดสิบองค์ลูกหนึ่งเหมือนกันท่านพระสะพิยะนั้นดำลงเวนเดขันอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันทัปปะนิพานธ์ก็ดับขันทัปปะนิพันธ์นี่ประวัติของท่านพระสพิญะสพิยะ เทระท่านสพิยะเทระผู้นี้จะเห็นปรากฏได้ว่าท่านเป็นเดีคือนักบทนอกแอนนอกศาสนาเป็นเดชีพวกเนี่ยเมื่อก่อนจะเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ต้องอยู่ปริว่า ถ, ถึงสี่เดือนแต่ปรากฏนะแต่ปรากฏตาม ในพระมหาสาวกแปดสิบองแล้วเคยมีดิรถีคือคนนกคนที่เป็นนักบวชนอกศาสนานี้เข้ามามาบวชในพุทธศาสนาก็มีอยู่ก็คือหนึ่งอุปติสะปริภาชกสองโกริตะปริภาชกก็ได้แก่ท่านภาษาริบุตรพโมคลานะแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ไม่ได้จัดอยู่ใน อสิติมหาสาวกก็คือสุภัทธบริภาชกผู้เป็นภาษาโองสุดท้ายทั้งสามลูกนี้ตามที่ปรากฏนั้นไม่ได้อยู่ติทยาบริวติไม่ได้อยู่ติทยาบริวติแต่ว่ามีปรากฏแต่สพยะปริภาชคกคนนี้เองที่อยู่ติทยาบริวัติแต่ตามกำหนดนะ ตามต้นดกฎเกณฑ์หรือว่าตามกฎข้อบังคับหรือตามกฎวิไบ น, นั้นวิริทีที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นจะต้องอยู่ปริวาสี่เดือนสุดก่อนต่อเมื่ออยู่ปริวาสี่เดือนแล้วทําให้พิสุสงฆ์ทั้งหลายพอใจว่าเป็นคนมั่นคงเป็นคนมีศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธศาสนานแล้วจึงจะย่อมุสมบทให้แต่อุปติสสะปริพาชกกับพระโกริตะแล้วกับโกริตะปริพาชกก็ได้แก่พระสารีบุตรและโมคลานะนั้น ที่ไม่อยู่ปริวาสเพราะเหตุที่ว่าตนเองนั้นถึงแม้จะเป็นเรทีแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็สามารถได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันเรียกว่านับเข้าได้ว่าเป็นอริยบุคคลพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาขั้นต้นก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จัดว่าเป็นผู้เป็นอริยราชธร คือเป็นผู้ที่มั่นคงมีสถามไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนาคือเชื่อมั่นได้แล้วแม้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะให้มากล่าวว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรม ร, ะรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์โดยทาไมกล่าวที่นั่นจะค่าเสียรหรืออะไรอันหนึ่งก็สามารถที่จะยอมสละชีวิตได้โดยที่จะไม่กล่าวที่นั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสถามั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเพราะเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาแล้ว จึงไม่ต้องอยู่กิติญาปิวะแต่ว่าตอนนั้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นตอนประทุโพธิการคือตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆกฎอันนี้ก็คงยังไม่มีแต่ในการอีกองค์หนึ่งคือสุภะะปริพาชกที่มาบวชเป็นองค์สุดท้ายนั้นพระองค์ก็ได้กล่าวเหมือนกันว่า เวลาที่ที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นจะต้องอยู่ติทยะปริวัติสี่เดือนสุภัทะก็กราบทงทันทีเลยว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นจะอยู่ติทยาปริวัติสี่ปีจนกว่าพระพิสุสงเห็นพอใจแล้วจึงจะบวชก็แสดงว่าสุภัทปริพาโชคนั้นก็เป็นผู้หนึ่งถึงจะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้น หรือจะบรรลุก็าตามก็มีศรัทธาแหลงกล้าคือไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นอจาระศรัทธาแล้วมีเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และอีกประการหนึ่งนั้นองค์สงเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้านั้นพระองค์เป็นพระสัพพัญญูพระองค์ก็รู้วาระจิตของบุคคลอื่นได้ดีที่เพราะเหต่พระองค์นั้นมีเจโตปริยญก็สามารถจะรู้ได้ว่าติทยะหรือว่าเดรถีผู้นี้ เป็นผู้ที่มีสถามั่นคงในพระพุทธศาสนาหรือไม่ดังนั้นสุภะะปริภาชกนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเป็นพิเศษไม่ต้องอยู่ติดพิยาปริวัาแต่สพิยะเถระผู้นี้คงจะเป็นแต่เพียงว่าเลื่อมใสในพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เป็นอาจราระสถาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงตรัส ให้ทรงอยู่ปริวาสสี่เดือนซะก่อนและเมื่ออยู่ปริวาสสี่เดือนแล้วเห็นเป็นผู้ที่มีศรัทธาไม่ค่อนขันแล้วจึงได้ยอมรับเข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและท่านก็สามารถเป็นพระอริยะบุคคลคือได้สําเร็จขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วก็ได้รับนับเนื่องว่าเป็นพระมหาสาวกผู้ใหญ่องค์หนึ่งเหมือนกันแต่ก็มิได้รับ ยกย่องในฐานะเป็นเอตถะเลิกกบพิสุทธิทั้งหลายในทางใดทางหนึ่งก็นับว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่เป็นกำลังใหญ่ของพระพุทธองค์ในการช่วยประกาศศาสนาตามความสามารถของตนและอยู่มาจนถึงการสมควรกนดับขันทัปปุริภามประวัติของท่านก็มีเพียงแค่นี้ขอความเจริญ้าสุขสวัสคีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกๆท่านด้วยกันขอเจริญพร